ได้พบพระที่เคยฝันเห็นขณะอ่อนกราบหลวงตาในครั้งแรกนี้อ่อนได้แต่มองท่านด้วยความตกตะลึงและอัศจรรย์ใจเป็นที่สุดเพราะพระในนิมิตพระองค์ที่ช่วยอ่อนองค์ที่โบกจีวรกั้นระหว่างความตายและความเป็นของอ่อน คือพระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนอ่อนไม่เคยได้พบหลวงตามาก่อนเลยนับเป็นเรื่องเหลือเชื่ออ่อนไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้อ่อนได้พบกับองค์หลวงตาในนิมิตตั้งแต่เมื่อพศ2521และได้มากราบท่าน เ, าเมื่อพศ2535อ่อนขอยืนยันว่าไม่ได้แอบอ้างอ่อนนิมิตเห็นอย่างไรก็เล่าอย่างนั้นไม่ได้ต้องการจะโอ้อวดแต่อย่างใด พิงแต่อยากจะเล่าประสบการณ์ให้ทราบแล้วแต่ท่านจะพิจารณาให้เห็นเป็นประโยชน์ในแง่ใดได้บ้างหากไม่ได้องคหลวงตาท่านมาช่วยไว้ในคราวนั้นแล้วอ่อนคงจะไม่มีโอกาสได้มาเล่าในวันนี้อ่อนตรหนักถึงความเมตตาที่องค์ท่านมีต่ออ่อนอ่อนเธอทูนท่านไว้เหนือเสียงเหนือกล้าวอยู่เสมอมา เป็นห่วงลูกหลานไทยเวลานี้อ่อนอายุ40ปลายไม่ทำงานแล้วพี่ตึงสามีปล่อยให้อ่อนใช้ชีวิตและเวลาที่เหลืออยู่กับวัดถือศีลภาวนารับใช้หลวงตาอ่อนบอกกับพี่เขาว่ามีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาทั้งในสมาธิและแม้ในความฝันว่าเวลาของอ่อนเหลือไม่มากแล้วอ่อนจึงไม่ประมาท อ่อนก็เลยบอกกับพี่ตึงไว้แต่เนิ่นๆให้เขาเตรียมตัวไว้อ่อนเองก็เตรียมตัวเองเช่นเดียวกันพี่ตึงจึงอนุญาตให้อ่อนทำงานถวายองค์พระหลวงตาเพื่อกิจพระศาสนาอย่างเต็มที่ส่วนพี่เขาจะดูแลกิจการเองไม่ต้องเป็นห่วงฉะนั้นอ่อนจึงมีเวลาเพื่อกิจพระศาสนามากขึ้น อ, อนสังเกตเห็นว่าเด็กวัยรุ่นยุคนี้ทั้งที่เห็นในวัดหรือ ท, ท, ทั่วไปจำนวนมากไม่ได้มีความสนใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่คำนึงถึงศีลธรรมมักประพฤติตัวไม่เหมาะสมคิดถึงแต่เรื่องหาเงินไว้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตามกระแสะโลกไม่เหลือความเชื่อยุคปู่ย่าตายายเรื่องผีสางเทวดาอ่อนกลัวคนเหล่านี้จะก่อบาปก่อกรรมและตกนรกเพราะพวกเขาเอาแต่ประโยชน์ตนใช้ชีวิตฟุ้งเฟอือ หาเงินง่ายก็ใช้เงินง่ายเราในอนาคตคนเหล่านี้ก็จะลําบากน่าเป็นห่วงจริงๆชีวิตของอ่อนแม้ผ่านโลกมาไม่มากแต่ก็มีโอกาสได้พบเห็นอะไรหลายๆอย่างที่น่าจะเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเตือนสติกันโดยจุดประสงค์เพียงเพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจว่าผีสางเทวดามีจริงคนเราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ตายแล้วศูนย์ไม่กลับมาเกิดอีกอ่อนเห็นมามากทั้งวิญญาณเทพเทวดาแม้กระทั่งผีเปรตและพญานาคสำหรับคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอ่อนไม่ได้โต้แย้งเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลส่วนผู้ที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงก็เป็นการดีสำหรับเขาเขาจะได้เกรงกลัวต่อ บ, บาปและละอายผีสางเทวดาที่เฝ้ามองเราอยู่ทุกขณะไม่ว่าจะทาดีหรือทาชั่ว เขารับรู้กันทั้งหมดเพียงแต่เขาสื่อสารหรือตักเตือนเราไม่ได้เท่านั้นเนื่องจากเรากับเขาอยู่ต่างพบต่างมิติคนเราเมื่อไม่มีใครคอยให้สติก็จะหลงระเริงไปกับความโลภกิเลสตัณหาราคะจนผลของกรรมตามมาทันมีอันเป็นไปและหาทางแก้ไขไม่ได้มีแต่จะยิ่งจมลึกลงไปมากขึ้น กว่าจะรู้สึกตัวก็สายไปแล้วเหมือนเรือล่มจมลงในน้ำจมปลักอยู่ในโคลนตมกูมีขึ้นเหมือนตกนรกทั้งเป็นอ่อนไม่ได้เป็นผู้วิเศษแต่อย่างใดแต่ต้องการบอกให้เด็กๆรุ่นหลังได้รับรู้สิ่งที่อ่อนมีประสบการมาโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นจำนวนมากที่ยังไม่เดียงสายังอ่อนต่อโลก